อันดีเลยได้ฟังสาธยายสมมาสังกปะเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อสมมาทิฏฐิถ้าหากว่าสมมาทิฏฐิหรือสมมาทิฏฐิที่ขาดสมมาสังกปะเป็นตัวที่เกื้อกูลอุปการะเนี่ยนะ ยากที่จะเจริญงอกงามได้เพราะสัมมาสังกปปะนีม่มีความสำคัญมากแต่ทีนี้สัมมาสังกปปะนี่ก็ไม่ใช่เป็นตัวที่จะเจริญได้ง่ายๆใช่ไหมสัมมาสังกปปะนี่เจริญไม่ง่ายเลยนะยบอกธรรมะนี่คิดเอาใช่ไหมคิดใช่แล้วคุณคิดไหมล่ะตัญหามันไม่ค่อยยอมคิดนี่สินี่ทุกข์เออเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นมันไนเป็นเรื่องยากเย็นอะไรแต่ทำไมไม่ยอมคิด เมตตาคิดให้คนอื่นมีความสุขทำได้ไหมแบบมันทำได้แต่ทําไมมันทำได้ไม่ตลอดเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าสัมมาสังกปะเป็นสิ่งที่เจริญง่ายเห็นไหมก็รู้ใช่ไหมว่าคิดให้คนอื่นมีความสุขดีใช่ไหมแบบใช่อแล้วทําไมไม่คิดนะก็มันน่าโกรธอะอย่างเงี้ยมันก็เลยโกรธแทนในอะันี้ก็เลยไม่ค่อยเจริญสัมมาสังกปะทีนี้ถามว่าเพราะเหตุใด อกุศลสังกปะจึงมีกำลังไม่ยอมให้เราเจริญสัมมาสังกปะได้ง่ายๆพราะองตัดว่าอากุศลสังกปะเกิดจากกามสัญญาอั น, นเกิดจากพยาปาท่าสัญญาเกิดจากวิหิงสาสัญญาั น, นสัญญานี้เป็นเหตุใกล้ของสังกปะ <c oughs> อยู่ที่พื้นฐานว่าสัญญาเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าสัญญาที่ที่เป็นอกุศลก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลสังกัปปะถ้าสัญญาที่เป็นไปกับกุศลก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดกุศลสังกัปปะทีนี้ถามว่าสัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้สัญญานี่มีภาษะเป็นเหตุใกล้แล้วภาษามีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็คือสูตรตามสูตรใช่ไห วัตถุอารมณ์แลวก็วิญญาณเนี่ ย, ยแต่วัตถุอารมณ์วิญญาณเ็ามีชื่อหนึ่งว่าธาตุเป็นธาตุเนี่ยธาตุคือวัตถุอารมณ์กับวิญญาณเนี่ย สามอย่างนี่ถือเป็นเหตุใกล้ของภาษาภาษาเป็นเหตุใกล้ของเวทนาเวทนาเนี่ยภาษานี่เป็นเหตุใกล้ของทั้งเวทนาเป็นเหตุใกล้ของสัญญาแล้วก็เป็นเหตุใกล้ของสังขารแต่นี้เรากำลังพูดถึงสัญญาอยู่นี่ภาษานี่เป็นเหตุใกล้ของ เวทนาสัญญาสังขารนี่เราจะพูดเฉพาะตัวสัญญาทีนี้สัญญานั้นเมื่อเกิดขึ้นโดยมีผัสสะเป็นปัจจัยโดยมากสัญญาเราเป็นยังไงเมื่อรับอารมณ์หนึ่งกามมสัญญาบ้างนั่นนะคือสำคัญหมายว่าน่าพอใจเคยเห็นไหมดูแล้วสวยเลย ฟังแล้วเพราะเลยไม่ต้องอธิบายกันทั้งนั้นชอบทันทีลักษณะเนี่ยนะผู้อันนี้เรียกว่าการมาสัญญาไม่ต้องมีเหตุผลว่าทําไมจึงชอบแต่รู้ว่าชอบเลยพยาบาทสัญญาก็เหมือนกันเห็นแล้วโกรธเลยไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเช่นของเสียหายเนี่ยนะสมมติว่าของเราเสียหายเนี่ยต้องอธิบายไหมยกเว่นมาใส่แล้วแว่นมันเลาหมดทั้งอันเลยนะฮะต้องอธิบายไหมว่าทําไมต้องโกรธ มันไม่รู้แต่รู้ว่ามันโกรธขึ้นมาเลยนะรู้แต่ว่าไม่ชอบขึ้นมาทันทีเลยนะกับวิหิงสาสัญญาถ้าใครเป็นคนช่างติเนี่ยจะรู้ว่ามันต้องตาหนิเนี่ยนะพวกที่ช่างช่างติช่างเตียนเนี่ยนะพวกช่างติช่างต่อช่างว่าทั้งหลายแหละเนี่ยไม่รู้ว่าพอมันได้รับอารมณ์ปั๊บต้องว่าซะหน่อยพื้นฐานเนี่ยก็มาจากอากุศลสัญญา เนี่ยนะอะกุศลสัญญาเข้าเป็นแบบนี้ตัวที่ชี้ชัดว่าทําไมจึงเกิดการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาตัวนั้นคืออารมณ์เนี่ยนะตัวอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวจําแนกอารมณ์เนี่ยมันจําแนกไงอารมณ์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่มมันแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มอะไรกลุ่มอิทธารมณ์ อิทธารมกับอนิธารมถ้ามัชตารมก็คืออยู่ระหว่างกลางอิทธารมกับอนิธารมเรียกว่ามัชตารมขเข้าใจไหมคุณมลมีเข้าใจครับอ่าก็อ ย, อยังช่วดอะนี้ห่งขาดเรียนวันหนึ่งได้ดีเลยอัะนนะัทีนี้ อิทธารมเนี่ยนะมันก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะสภาวะอิทธารมกับปริกรปะอิทธารมคือสวยตามสภาวะหรือดีตามสภาวะน่าปรารถนาตามสภาวะกับมันน่าปรารถนาตามตามความคิดหรือตามอัธยาศัยของบุคคล น, นั้นอย่างเผ็ดอุ้ยเผ็ดจริงๆเลยนะสภาวะไม่ได้น่าปรารถนาอะไรแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเขากินข้าวโดยที่ไม่มีกับข้าวเผ็ดๆนะ เขาไม่มีแรงเลยวันนั้นะน ะ, ะต้องต้องกลุ่มกรรมกรเนี่ยนะนะคำพูดเหล่านี้ต้องอยู่ในแวดวงกรรมกร <c oughs> นั่นนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <Deadpool> <c oughs> เราคือนั่นนะ อ้าวแล้วใช่ไหมล่ะกรรมกรไหมล่ะอกรรมกรแปลโดยศัพท์อะไรผู้ทำกรรมกะระตัวนั้นแปลว่าทำเนะนะตัวนี้แปลว่าทำนี่เอกฐารมเนี่ยนะ โดยมากอิทธารมเป็นเหตุใกล้ของการมสัญญาอันนิธารมเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มอีกพยาบาทสัญญากับวิหิงสาสัญญาอัน น, นกลุ่มอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะมันแบ่งกลุ่มที่เรียกว่ารับอารมณ์แล้วไม่พอใจเลยโทสะเลยทันที ไม่พอใจกับแช่งชักหักกระดูกสิ่งนั้นเลยนยะมันก็แล้วแต่ใครอีกทีหนึ่งนะกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยนะพ อ, พอรับอารมณ์ปับสมมติว่าเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาปั๊บเนี่ยโทสะเลยโต้ตอบทันทีเป็นต้นเนี่ยนะแต่บางกลุ่มเนี่ยโอ้โหคิดประทุษร้ายทำลายตัววัตถุนั้นนั้นเนี่ยมากนี่มาดูว่าอากูสลวิตกเนี่ยนะก็เป็นไปตามตัวสัญญายนะ ถ้าสัญญาที่ที่สมัยสมัยไปรับอิทธารมถือว่าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาเพียงใดวิตกก็จะคิดถึงว่าน่าพอใจเพียงนั้นอันนี้อย่างนี้เรียกว่าอะไรกรา ม, มาวิตกถ้าตอนรับอารมณ์เหล่านั้นเราถือว่ามันไม่ดีมันใช้ไม่ได้ทั้งทั้งที่สิ่งนั้นอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมเรานึกเมื่อไหร่ก็โทรสะขึ้นมาทุกทีอันนี้ก็เป็น พยาบาทวิตตกเราคิดจะต่อว่าเนี่ยนะนะคิดจะต่อว่าคิดจะดา่าคิดจะอะไรเป็นต้นเนะนี่ยนะในบางวัตถุนะเพราะนึกเมื่อไหร่เราต้องต่อว่าทุกครั้งเลยต้องตำหนิทุกครั้งเลยนะต้องบ่นทุกครั้งอะ่ะภาษาเรียกว่าต้องบน่นต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนจนได้อันนี้แหละพื้นฐานว่ามาจากวิหิงสาสัญญาก็เลยเป็นเรียกว่าวิหิงสาสังกัปปะ นะหรือวิหิงสาวิตกนะก็เป็นอย่างนี้วิหิงสาพวกสัญญาทั้งหลายเนี่ยตามฟังคำอธิบายเพราะว่าอธิบายแบบใกล้ใกสัญญาตัวนั้นเหมือนกับว่าใกล้ๆกกับวัตถุนั้นเช่นว่ารับอารมณ์ปั๊บชอบเลยก็เป็นการมสัญญาเหมือนกับว่าบันทึกกามสัญญาเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่านี้น่าพอใจสำหรับเรา หรือรับอารมณ์ปั๊บเนี่ยไม่พอใจเอาละไม่พอใจตั้งแต่ผัสสะและ้วะเก็บเอาไว้ถ้ายิ่งใครที่ไปชอบไปดูงานอะไรบางอย่างเนี่ยนะเห็นปั๊บบอกชอบล้ก็จะครุ่นคิดในด้านอะไรกว่ามันน่าชอบใจไปเรื่อยๆๆๆๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆถ้าเห็นปั๊บบอกไม่ชอบมันก็ครุ่นคิดว่ามันไม่ชอบไม่เอาไม่ดีไม่ชอบไม่เอาไม่ดีก็จะครุ่นคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็น วิตกะนี่นะก็บังไ อ, าอาการถ้าไม่ชอบแบบตามสภาวะเลยนะอันนี้เป็นกลุ่มอากุศลสัญญาเป็นพยาบาทสัญญาแต่ทําไมมาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกในสิ่งนั้นละ่ะเอาไม่ชอบมันก็ไม่น่าจะไม่ชอบแค่ครั้งเดียวก็พอใช่ไหมทาไมมาครุ่นคิดคิดวนอยู่นั่นแหละอย่างสมมุติเอาวันนี้พกกันไปเห็นถนนเขาทาไม่เสร็จเนี่ยนะไอตอนไม่เห็นกับตอนเห็นปั๊บก็ไม่สนุกอยู่แล้วใช่ไหม ตรงตรงตามสภาวะนะเป็นพยาปาทสัญญาหลังจากนั้นนะคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดนะ น, นะคิดนานเท่าไหร่คิดมากเท่าไหร่อันนั้นเป็นพยาบาทวิตกแต่ว่าในขณะที่วิตกเกิดไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นะมันมีแต่ว่าตัวไหนทำงานทางานมากกว่ากันตัวไหนทํากิจมากกว่ากันเนี่ยเช่นว่า ตัววิตกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันตามหลังมาถ้าสัญญาก็เหมือนว่ามันเฉพาะหน้าเนี่ยนะเฉพาะหน้าอันนี้นี่นี่พูดอกุศลก่อนกุศลไม่ค่อยยากหรอกเขาให้รู้อกุศลตัวคือคือมันมาตอกมาย้อมอยู่นั่นแหละจริงๆริอะนะตอนที่เราเห็นเช่นเห็นแล้วอกุศลมันเกิดนะก็นิดเดียวใช่ไหม นิดเดียวอ่ะไอตัวสัญญาตัวนิดเดียวตัวนั้นนะอกุศลอยู่ตกครึ่งวันอย่างฟังข่าวร้ายอยู่คําเดียวคิดอยู่สามเดือนนะฟังข่าวดีอยู่คําเดียวนะดีใจอยู่ทั้งหลายเดือนอย่างบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาดีแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นสายกุศลเนี่ยนะแต่เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยเขานับเรื่องไตยินเดียทุกวันเลยเขาบอกงั้น ก็ดีใจมากรอด้วยใจจดใจจอเข า, าว่าไงก็บอกว่าโอ้นี่นะแค่ฟังว่าจะไปที่นี่ก็มีที่อื่นก็มี<อ>ก็อันนี้คือด้วยอํานาจของวิตกที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกย้ําแล้วย้ําอีกคือนั่นแหละไอะ้ตัวนี้เป็นวิตกแต่แค่พื้นฐานมาจากอะไรจากภาษาหน่อยเดียวเรื่องนั้นนิดเดียวเองอะ่ะคนตัวหัวลังวันที่ห น, นอนไม่หับไปสามเดือนนั่นนะมากไปมัง้ง <c oughs> สรุปว่าตัวอิทธิพลของอะไรสามอย่างนะวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยนะแล้วก็ถ้าทั่วๆไปนะถ้ามองชัดๆเนี่ยเราส่วนใหญ่นะเราจะให้ความสำคัญกับคนใช่อิทธารมอ น, นิถารมของเรานะโดยมากอยู่ที่ที่คนนะไม่ใช่วัตถุศักเท่าไหร่ โดยจริงๆแล้วนะวัตถุที่น่าปรารถนาของเราก็คือบุคคลวัตถุที่น่าชิงชังของเราก็คือบุคคลอันนี้อันนี้แบบห ย, ยาบๆก่อนนะก็แบ่งว่าคนที่เราที่น่าปรารถนาสำหรับเรากับคนที่น่าน่าชังสำหรับเราเคยเคยมีไหมว่าฟังปั๊บชอบเลยเอ่ยชื่อมาก็ชอบละอันนี้เป็นลักษณะาการมสัญญาฟังปั๊บชอบเลย ฟังปั๊บโกรธขึ้นมาทันทีเลยไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นอนะ่ะแค่พูดถึงโกรธเลยงนะอย่างเขาเขามีคนที่ที่มีเรื่องอะไรที่แค่ว่าไม่สบายใจนะมาแย่เข้าหน่อยเนี้ยได้เรื่องเลยนิดเดียวนะแต่นิดไม่ได้เลยนะเช่นเช่นออ น, นิท้ถารณมก็คือปมด้อยด้อยเขียนยงังไงจงไงสอนอ่นะนะ ถ้อิทธารลมก็คือปมเด่นปมเด่นนี่พูดคําเดียวเนี่ยนะโอ้ดีใจตั้งนาน <c oughs> ขอให้พูดเรื่องนั้นนะแต่เออใช่นะบางคนเนี่ยขอให้เอ่ยเรื่องนั้นมาเถอะใครอยาไปเอ่ยเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนแนละ้วต่อด้วยเรื่องเป็นครึ่งชั่วโมงกับบมด้วยบางปมนะโชวไปนิดเดียวนะฟังคำพุทธสวัดอยู่เป็นชั่วโมง นะเพราะอะไรเนี่ยอิทธิพลของอารมณ์เนี่ยสําคัญมากเลยนะแต่หลายๆเรื่องนะทุกเรื่องในลักษณะนี้สักส่วนใหญ่ก็เขาจึงแบ่งว่าเรื่องใดเป็นปฏิฆานิมิตเรื่องใดเป็นสุพ า, านิมิตถามว่าเบื้องหลังของอารมณ์อันนั้นนะคืออะไรเบื้องหลังของอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนานะอารมณ์ตัวนั้นเมื่อแยกไปแล้วโดยมากก็คือมหาพูดถูกผีหลอกเหมือนกันเนละ ถูกฝีหลอกมาอารมณ์ที่น่าปรารถนานะครับเบื้องหลังเมื่อวิเคราะห์ไปแล้วก็คือมหาพูดโดยที่สุดแม้แต่ลมปากแนะถอยหลังไปจริงๆก็คือมหาพูดคําชมคําด่านะไอตัวคําเองนะตัวเสียงที่ชมที่ด่าเนี่ยต้นฐานสมุดฐานตอนต้นเดิมที่จะทําให้มีเสียงคืออะไรมาเสียงมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้สิ่งที่สวยงามในโลกก็มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้สิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกก็คือ มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นอิทธิพลของมหาพูดเนี่ยแรงขนาดนี้นั้นถูกผีหลอกกันตลอดเลยเมื่วลาวันถูกหลอกมาไหมวันนี้ป<ก>นนอเอ๋ อ, อดีแล้วสารวมให้มากๆ ม, มีพ <laughs> ระพุทธเจ้าสอนว่าการสํารวมตาเป็นความดี <laughs> ความสํารวมหูก็เป็นความดีความสํารวมจมูกก็เป็นความดีความสํารวมลิ้นก็เป็นความดี ความสำรวมวาจาก็เป็นความดีการสำรวมกายก็เป็นความดีการสำรวมใจก็เป็นเรื่องดีถ้าหากว่าสำรวมได้ทุกขวารแล้วจะพ้นจากทุกหสำรวมต่อไปอย่าเลิกนะ <c oughs> ทีนี้ก็มาดูนะว่าไอตัวอารมณ์ที่เราเข้าไปรับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้นถ้าเบื้องหลังเราฝึกถอยหลังเข้าไปวิจัยสกหน่อย เข้าไปวิจัยว่าสิ่งที่น่าปรารถนานะเบื้องลึกๆของสิ่งนั้นอะ่ะคืออะไรสิ่งที่เราไม่น่าปรารถนาที่สุดเนี่ยนะเบื้องหลังลึกๆอันนั้นน่ะคืออะไรก็พยายามสาวไปหาไอปัจจัยของอารมณ์เพทั้งถ้าถ้าเริ่มไปวิอารมณ์แยกแยะอารมณ์เนี่ยนะตัวเนี้จะเริ่มฝึกเนคขมมะสัญญาไว้ฝึกเนคขมมะเนี่ยนะ ข้ามว่ามันเริ่มเข้าไปลงในรายละเอียดของสิ่งนั้นๆของบางคนเนี่ยได้ทั้งความอะไรนะทั้งทั้งดีใจทั้งเสียใจสลับคร่าเข้ า, ขากันไปเนี่ยนะจริงๆถ้าแยกให้ดีเนี่ยดีใจก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งนะเสียใจก็อีกอารมณ์หนึ่งพยายามศึกษาวิเคราะห์แยกแยะอารมณทรนะ์ที่เราวิตกถึงเนี่ยนะที่เราวิตกถึงอย่าลืมว่าวิตกเนี่ยมีสัญญาเป็น เป็นปกตูปะนิสยาปัจจัยนะประตูปะนิสยาปัจจัยก็วิตกะตัวนั้นคิดถึงอะไรก็คิดถึงตัวอารมณปจัจจคืออารมณ์นั้นถ้าแบ่งไปะนะความต่างแห่งธาตุทาให้เกิดความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะนี่ทำให้เกิดความต่างแห่งสัญญา ถ้าสัญญาต่างวิตต ก, กะก็ต่างนะในเหตุการณ์เดียวกันนะบางคนฟังแล้วกามมสัญญาเกิดบางคนฟังแล้วก็พยาบาทสัญญาเกิดขึ้นบางคนฟังแล้วก็วิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นเรื่องเดียวกันไม่ใช่ว่าคนจะชอบทุกคนใช่ไหมพูดถึงบางคนก็ไม่บางคนก็ชอบบางคนก็ก็ชังเนื่องจากสัญญาที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นะ่ะเป็นมาอย่างไร อย่างสังเกตเห็นง่ายๆหนึ่งเราชมคนบางคนให้บางหลายคนฟังเนี่ยนะบางคนฟังปั๊บชอบเลยบางคนฟังยิ่งฟังยิ่งกโกรธนะฟังยิ่งฟังนานเท่าไหร่โกรธมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเขาไปเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นด้วยพยาบาทสัญญามา ก, ก็พยายามฝึกวิเคราะห์นะว่าว่าพื้นฐานจริงๆแล้วมามาจากแบบนี้ มัจชตาเนี่ยนะว่าพื้นฐานมันจะเอียงไปทางไหนเอียงไปทางชอบหรือเอียงไปทางไม่ชอบมันไม่ใช่แบบเฉยเฉยธรรมดาหรอกมันเฉยแบบเฉยแบบชอบกับเฉยหรือเฉยแบบไม่ชอบเฉยมันมีสองกลุ่มอย่างบอกเรื่องนี้ฟังแล้วเฉยเฉยบางคนเนี่ยเฉยแบบไม่ชอบบางคนเนี่ยเฉยแบบชอบอันนี้คือคืออันนี้พูดแบบภาษาไท ย, ยนะไม่ได้พูดแบบปรามัดนะพูดแบบปรามัดเนี่ยถ้าไม่ชอบมันก็โทสะแหะ แต่ว่าทำตัวยังทำตัวเฉยๆอยู่คือดูเหมือนเฉยๆแต่ว่าไอไ อ, อารมณ์ปานกลางทั่วๆไปก็แล้วแต่ว่ามันจะเอียงไปทางราคะหรือทางโทสะเพราะว่าตัวกามสัญญาตัวนี้เป็นกลุ่มราคะตัวพยาบาทสัญญาก็เป็นกลุ่มพยาบาทกับวิหิงสาเป็นโทสะถ้าจะวิเคราะห์กลุ่มหนึ่งนะนะวิเคราะห์ยังไงก็ได้ว่า ตัวตัวนี้นะว่าจะแยกเป็นชาวนะทางปัญจทวารก็ได้การมาสัญญาตัวนี้นะคือชาวนาทางปัญจทวารตัวนี้ก็เป็นชาวนะทางปัญจทวารอันนั้นกลุ่มสัญญานี้ก็คือกลุ่มชาวนะทางปัญจทวารก็ไม่ผิดอะไรเพราะบางอย่างเราเห็นแล้วชอบเลยโดยที่ไม่ต้องอย่างเห็นดอกไม้เราเห็นแล้วชอบเลยหรือชังเลย เห็นและชอบเลยถามทำไมจึงชอบมันต้องอธิบายไหมทําไมพรก็คือชาวนาะทางปัญจทวารเห็นและชอบเลยใช่ไหมถ้าเห็นว่าของตกเลยทําไมโกรธเลยโธสะเลยตกใจเลยขึ้นมาทันทีทําไมจะต้องอธิบายมันน่าจะต้องอธิบายมันต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมทําไมไม่ต้องมีเหตุมีผลทําไมชังไปเลยไม่ชอบไปเลยหรือชอบไปเลยดีใจเลยเสียใจเลยก็เพราะอิทธิผลของตัว สัญญาสัญญานี่ก็มาจากว่าก่อนหน้านี้เราประเมินภัรษาไว้อย่างไรนะพื้นฐานเนี่ยนะตัวนี้เราประเมินภัรษาไว้อย่างไรตัวตัวที่ตั้งไว้ตั้งกันเดิมว่าอะไรคือสิ่งดีสำหรับเราอะไรคือสิ่งเลวร้ายสำหรับเราตัวนั้นนะ่ะคือตัวทิฏฐิพื้นฐานเนี่ยทิฏฐิทั้งที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็ตามว่า ตามความเห็นของเราแล้วเรื่องนั้นอะอะไรดีหรืออะไรเสียสําหรับเราเช่นว่าถ้าเจออารมณ์ที่ดีเราถือว่าดีสําหรับเราใช่ไหมเราให้ค่ามากก็อยู่ที่การประเมินคุณค่าของสิ่งนั้นเคยได้เห็นไหมว่าถ้าบางอย่างเสียหายแล้วทําไมเราเคยดีใจไหมเสียหายแล้วดีใจมีไหมมีมทําไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะเราอยากประเมิน er. คือแนวโน้มอต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วนะแนวโน้มเออเนี่ยนะถ้าของบางอย่างเสียก็ดีเหมือนกันเราจะได้ใหม่นะคนอื่นเขาจะให้ใหม่หรือว่าจะได้มีเหตุผลจะไปอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นเสียฤฤฤฤได้เหตุผลอันสมควรจะได้ใหม่หรือจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะ การอธิบายเองอไกเขามไม่เก <deux> ี <S <s <clipping thôi> oh, ่ยวน่มันเรื่องอะไรใช่ไปอเื่องอาจารย์ามเกุศล่ไทคคิดแบบนี้เขาเาไม่เขาวิธีนี่ยังไม่ได้บอกว่ากุศลเรื่องกุศลแต่เราพูดถึงความเป็นไปของความคิดเนี่ยนะแล้วค่อยมาแยกอีกครั้งหนึ่งเป็นกุศลหรื่อกุศลแต่ว่าให้เลยร้อยละ เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าปุตุชนอากุศลหมดเนี่ยนะน้อยนักที่จะเป็นกุศลคุณไม่ต้องไปถามหาหรอกบอกว่าปุตุชนนะกระดุดเนื้อปลา<ม>เนื้อปลาจริงๆริงเนี่ยมีกลิ่นเป็นยังไงเนื้อปลาเนี่ยข่า ว, าวทีนี้ก็ถามว่าเอาแล้วเคยได้กลิ่นเนื้อปลาต้มยำเป็นต้นมันหอมไม่ใช่หรือมันหอมเพราะอะไร<ม>หอมเพราะเครื่องเทศ เพราะเครื่องเทศชั้นใดปุตุชนทั้งหลายประดุลของเขาต้นนะ่ะโดยมากเป็นอกุศลแต่จะมีกุศลอยู่บ้างเป็นครั้งคราวเพราะปัจจัยคือโยนิโสมนัสการเพราะครบัว์บรุษเพราะการฟังธรรมเพราะอะไรนั่นแหละจึงจะเป็นกุศลบ้างแต่ถือว่าเป็นน้อยมากเป็นประดุลอาศัยเครื่องเทศมา จ, จึงเนื้อปลาเป็นต้นจึงรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมนนะปุตุชนเข้าเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าว่าร้อยทั้งร้อยก็ปุถุชนทั้งหลายอาคุสนั้งส่วนใหญ่ตัวพูดถึงว่ า, าพามนี้นะฮะมีมีข้อสังเกตอยู่ว่า ต, วตัวผัดตัวผัดจานนี่นะครเขาเาต้องขึ้น อ, อยู่กับปัญจทวาราวัชนะดูใช่ไหมครับว่าเขาเขาจะเป็นรวดเร็วในทางไหน คือปัญจทวารวชนาเ ข, าาข้ามาเกี่ยวข้างไหมครับเพราะว่าสามสามทำสามอย่างประชุมกันอย่างนั้นเนี่นะฮะเพราะว่าตัวตัวนี้ยมันต้องอาศัยปัญจทวาราวชนะก่อนนะเดวนี้ท่นนี้มีที่ผลต่ออาศร์ถามว่ า, า ม, มีไหมก็บอกว่ามีปัญจทวาราวชนะนี้ถ้ากล่าวตามปฏิสัมพิทาอัตตกถาก็มีผลต่อต่อสัญญาด้วยต่อสัญญาต่อสัญญาเลยนะฮะต่อสัญญาเลย เพราะตัวตั ว, ตวปัญจทวาราวชนะไม่เกิดมันก็เห็นไม่ได้อยู่แล้วเช่นบางอย่างเพื่อพูดภาษาไทยๆนะเพราะไม่สังเกตถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นใช่ไหมบางอย่างนะไม่สังเกตก็ไม่เห็นถ้าสังเกตก็ก็เห็นไอ้ตัวตัวปัญจทวาราวชนะอธิบายบางมุมก็เหมือนกับว่าตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นในบรรดาคนมากๆเลยนะคนมากๆเรารู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใคร <speaking> ก็ตั้งข้อสังเกตไงคราวนี้ใครเป็นใครใครมามั่งไม่มาบั่งอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ตั้งข้อสังเกตถ้าไม่ตั้งอ่ะเราก็ดูผ่านๆไปอย่างของหายหรือของไม่หายเป็นต้นนะตัวอวัชนะเป็นตัวเป็นตัวเข้าไปตั้งข้อสังเกตว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่าปกติตามเดิมเป็นต้นทั้งหมดก็สังเกตว่าใส่ใจอย่างไงฉนั้นตัวอวัชนะเมื่อมีผลอ่ถ้าพูดตามสูตรอ่าเป็น สำคัญมาจนถึงสัญญาเลยทั้งวิญญาณสัมปติชนะสันติชนะเป็นต้นนี่อาศัยตัวปัญจทวาราวชนะถ้ามองในแง่จิตถ้ามองในแง่ทวารตัววัตถุนี่คือทวารและตัวอารมณ์เลยก็สำคัญทั้งหมดเลยนะธาตุสามกลุ่มนี้สาคัญวัตถุก็สาคัญวิญญาณก็สำคัญอารมณ์ก็สำคัญทวารก็ สำคัญเพราะเป็นตัวเลื่อนว่าภาษะจะเป็นภาษาชนิดใดเพราะภาษานี้แบ่งออกเป็นกี่ภาษาดูเจนภาษามีเท่าไหร่ภาษาหกใช่ไหมเพราะวัตถุเนี่ยมันเป็นตัวทําให้นี้ว่าจากักรคูสัมผัสนะนี้โสตะสัมผัสนี้ขานะสัมผัสนี้ชิวหาสัมผัสนี้กายะสัมผัสนี้เป็นมโนสัมผัสทีนี้ในโลกของอารมณ์ละ่ะจกักรคูสัมผัสอารมณ์มันตั้งเยอะอะใช่ไหม สีในโลกนี้มีกี่ประเภทก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนก็คนหนึ่งก็ตั้งหลายสีใช่ไหมเพราะในโลกนี้สีนี่มันวิจิตพิสดารมากถ้าบอกว่าสีมีเท่าไหร่บอกสีก็ตามสมควรแก่มหาพูดมหาพูดมีเท่าไหร่สีมีเท่านั้นเะ น, นั้นสีเนี่ยมีกว้างขวางเพราะทุกสีที่เห็นเนี่ยคือทุ ก, ท, กทุกสิทุกผัสสะอย่างเช่นทวารตาเลยนะอย่างในห้องเราเนี่ยมีกี่คนก็เท่ากับมีเท่านั้น ภัรษะแต่ละสีแต่ละสีก็ให้พรรษะที่ที่แตกต่างกันไปก็ <c oughs> ก็ภาพนี้ก็มองเห็นว่านอกจากครราสาการมีที่คนต่อสัญญานี่แนะหละอสัญญานี่เขาจะว่องไวไปในกามหรือพยาบาทหรือหญิงตาเนี่ยเขาต้องขึ้นอยู่กับอไสิ่งที่เคยชินมาใช่ไหมครับใช่ที่เขาเรียกว่าสังสม สังสมนี่มันสังสมอยู่อยู่อยู่ส่วนไหนก็สั่งสมในในปัจจัยอ่าเขาเขาไม่เรียกว่าอยู่ส่วนไหนหรอกเหมือนกับว่าเราตีกลองเนี่ยนะเราเออเสียงทุ่มเสียงแหลมมันสั่งสมอยู่ตรงไหนดีดพินเป็นต้นเนี่ยนะดีดขิมเนี่ยคุณบนมีเสียงมันสั่งสมอยู่ตรงไหนเซนลวดเหรอเอาแล้วเซนลวดมาขึงอยู่ตรงนี้แล้วมาดีดเด้งดังไหม คนเคยไม่เอาไปดีเราผ้าดอ้วยล้วใช้ลวดไม่ใช่เหรอเขามีสา ย, ายารับสายขีมอลลว่นมาขึงตีไม่ดังอ๋แ อ, อแล้วสายของมันถ้ามาขึงเสาระหว่างเสาแล้วดังไหมมันจะดังเ <c oughs> หรอมีด้วยหร อ, อยังไงนะถามาดีนกะานเอาเนืเอาไม่ดีไม่ดีไม่ดีถึงไม่เฉยถึงไม่เฉไม่ดังครับอยากเรียนสามว่าอืมเะดี มไม่ใช่คุณอย่าไปโทษขึ้นยิทยโยกไม่ดีอืถามไปเล ย, เลยแล้วที่ถามว่ามันอยู่ตรงไห น, ม, นมันอยู่ตรงที่ไอ้การเกิดแล้วก<ม>็เรือสิ่งแล้อมรอบใช่คือคือคุณก็ไปโทษว่าฝนตกสมุ่านี้ฝนฝนตกบนยอดเขา อะไรงั้ก <PM> ็สมควรทิ้งได้แ <tamam> ล้วด <anak> ีใจทะได้ทิ้งัาทีไม่ใช่จะได้ใช้ของใหม่บ้างเหมือนกันครับเออใหม่ใช้ของใหม่เมือนกันแต่จะได้กระดีไม่ต้องมานั่งเทส